ชื่อปทุมมวดีฉันใครจะเห็นเธอปุโรหิตกราบทูลว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะแล้วนำยักษ์ชื่อกุมพีมาด้วยกำลังมนแล้วใช้อนุภาพยักษ์ให้นำพระราชาไปยังนครอุเชนีในขณะนั้นทีเดียวพระราชาทรงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางหนึ่งราตรีนางมีคันเพราะพระราชา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 คือเป็นมารดาของพระอภัยส่วนตัวนางการต่อมาได้ฟังธรรมในสำนักของพระอภัยเถระผู้เป็นบุตรเกิดศรัทธาบวชแล้วในหมู่ภิกษุณีเจริญวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอหรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายครั้นบรรลุพระอหรหันต์แล้วท่านได้กล่าวธรรมภาศิตคาถ า, าเดียวกับพระอภัยเถระผู้เป็นบุตรเคยสอนนางนั่นแหละคือ ข้าแต่แม่ท่านจงพิจารณากายนี้ซึ่งไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเน่าเบื้องบนลงมาจนจรลดพื้นเท้าเบื้องล่างขึ้นไปจนจลดปลายผมและคถาของท่านเองว่าเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้เราถอนราคะทั้งปวงได้ตัดความเร่าร้อนได้เราเป็นผู้มีความเย็นดับสนิทแล้ว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 ก็เห็นตามนั้นแล้วมีจิตกำหนดรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายโดยความเป็นไตร ล, ลักษณ์แห่งอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นก็สามารถถอนกิเลส ท, ทั้งปวงได้โดยอรหัตตะมัก